เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการท่านจึงได้ใช้เวลาที่ว่าง น, นี้เพื่อมาทำบุญเพราะการทำบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจ ใจิตใจถ้ามีบุญก็จะมีความสงบมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าใจิตใจไม่มีบุญก็จะมีแต่ความวุ่นวายดังนั้นเราจึงควรทำบุญกันให้มากมากบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันนั้นมีอยู่1ิบประการด้วยกัน บุญข้อที่หนึ่งเรียกว่าทานคือการให้บุญข้อที่สองเรียกว่าศีลคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยการกระทำทางกายและทางวาจาบุญข้อที่สาเรียกว่าภาวนาคือการทำจิตใจให้สบงบทำจิตใจให้ฉลาด เรียกว่าสมาธิและปัญญาบุญข้อที่สคือบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบุญข้อที่หเรียกว่าอนุโมทนาบุญบุญข้อที่6คือการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ บุญข้อที่7คือการรับใช้ผู้อื่นบุญข้อที่8คือการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมการศึกษาธรรมะบุญข้อที่9คือการมีความเห็นที่ถูกต้องและบุญข้อที่10คือการให้ธรรมะสั่งสอนธรรมะแก่ผู้อื่น นี่คือบุญสิ ป, ประการด้วยกันที่พวกเราควรจะทํากันให้มากๆทําตามกําลังฐานะของเราเราทําอันไหนได้ก่อนก็ทําก่อนอันไหนที่ยังทําไม่ได้ก็รอไปก่อนรอไปจนกว่าเราจะมีความสามารถที่จะทําได้ก็ค่อยทําไป เช่นข้อที่หนึ่งคือทานคือการให้การให้นี้หมายถึงให้ในสิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ให้ในสิ่งที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ถ้าเรายังไม่มีเหลือกินเหลือใช้เราก็ยังไม่ต้องให้ไม่จําเป็นจะต้องให้ตอนนี้ เพราเรายังต้องดูแลตัวเราก่อนเราต้องมีครบก่อนมีพอกินพอใช้ก่อนพอมีมากกว่านั้นแล้วเราค่อยให้ไม่ใช่เห็นคนอื่นเขาทำบุญให้ทานเราก็อยากจะให้เราก็ต้องไปไปยืมเงินของคนอื่นมาทำบุญหรือไปลักขโมยเงินมาทาบุญ อย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องทําไม่ควรจะทําการทํานี้การทําบุญให้ทานนี้ท่านหมายถึงถ้าเรามีเหลือเฝื่อแล้วมีเกินความจําเป็นแล้วเราค่อยทํานี่คือการให้เรียกว่าบุญอย่างหนึ่งการให้นี้ท่านก็มีสอนให้ได้ตั้งสี่อย่างด้วยกันคือให้ ข้าวของเงินทองอาหารขาวหวานต่างๆเชีน ย, ยนญาติโยมนําอาหารข้าวหวานมาถวายเราจะตุปปัจจัยไทยทานเอาผ้าจีวรเอายารักษาโรคมาถวายอย่างนี้เรียกว่าวัตถุทานคือเป็นการให้วัตถุสิ่งต่างๆที่ญาติโยมมาให้พระในวันนี้เป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดี จีวรก็ดียารักษาโรคก็ดีเป็นวัตถุทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าวัตถุทานส่วนทานชนิดที่สองก็คือวิทยาทานคือการให้ความรู้แก่ผู้อื่นโดยไม่เรียกค่าตอบแทนเช่นเรามีความรู้และเรามาสอนคนอื่น สอนโดยที่ไม่เก็บสตางอย่างนี้เรียกว่าวิทยาทานการให้ข้อที่สก็คือการให้อภัยให้อภัยหมายถึงว่าไม่ถือโทษโกรดเคืองผู้ที่ทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราทุกข์ยากลำบากหรือทำให้เราทุกข์ใจเสียใจเราจะไม่ถือโทษโกดเคืองไม่อาฆาตพยาบาท เราจะถือว่าเป็นการใช้กรรมไปชาติก่อนเราคงทำกรรมมากมาชาตินี้เราเลยต้องมาใช้กรรมนี่คือการให้อภัยแนะการให้ชนิดที่สี่ก็คือการให้ธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีความรู้ธรรมะและเราสามารถสอนผู้อื่นให้มี ธรรมะได้เราก็สอนเขาไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะหรือไม่เช่นนั้นเราก็ให้หนังสือธรรมะดีๆแก่ผู้อื่นไปก็ได้เราไม่มีธรรมะแต่เราเห็นว่ามีหนังสือธรรมะดีๆเราก็ช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันบริจาคทรัพเพื่อพิมพ์หนังสือเพื่อจะได้แจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น อย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นธรรมทานการให้ทั้งสี่ชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าการให้อย่างอื่นให้อาหารขาวหวานก็เพียงแต่ทำใ ห, ห้หายอดยากขาดแคลนไป แต่ไม่สามารถทำให้ใจพ้นจากความทุกข์ได้แต่ให้ธรรมะนี้จะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องอการให้ธรรมะเป็นการชนะเป็นการชนะการให้ทั้งปวงนี่คือเรื่องของบุญข้อที่หนึ่งคือทานข้อที่สองก็คือศีลศีลท่านก็สอนให้เรารักษาไว เช่นสินห้าเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและให้กับตนเองเช่นการฆ่าสับตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดพวเวณีพูดปลดและเสพสุรายาเมาเป็นการกระทาที่จะเกิดโทษตามมาทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนและทาให้ตนเองเดือดร้อนในภายหลัง เพราะเมื่อทำแล้วก็จะต้องถูกจับไปลงโทษนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะรักษาศีลกันศีลนี้มีอธิสง์อยู่สารประการคือจะทำให้ไปเกิดในสุขคติจะทำให้เจริญด้วยโพกัพซั์และจะดับทุกข์ภายในใจได้ ถ้าเรารักษาศีลได้ตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกเราจะไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยเจ้านี่คืออ น, นิสงส์ของการรักษาศีลอีกข้อหนึ่งก็คือทำให้เราเจริญในโภคกสัตย์ถ้าเรารักษาศีลแล้วการทำอาหากินของเราจะสุจริต เงินทองที่เราได้มาจะอยู่กับเราจะไม่สูญหายไปจะไม่ถูกยึดซั์ถ้าเราไปทำหาเงินหาทองด้วยวิธีไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกเข้าตามมายึดกับขืนไปเราก็จะไม่เจริญในทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองแต่ถ้าเราหาเงินหาทองมาด้วย วิธีที่สุดจริญถูกกฎหมายเงินทองที่เราหาได้ก็จะอยู่กับเราหลังก็จะมีการเจริญในทรัพย์และข้อที่สาคือจะทำให้ใจของเราไม่มีความทุกข์เวลาเราทำผิดศีลผิดกฎหมายใจของเราจะไม่สบายใจจะมีความทุกใจเช่นเราไปฆ่าผู้อื่นหรือเราไปลักทรัพย์ ใจของเราก็จะไม่สงบใจของเราจะไม่สบายจะกังวลกลัวจะถูกจับไปลงโทษนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ทำผิดศีลเราไม่ทำผิดกฎหมายเราจะไม่มีความวิตกเราจะไม่มีความทุกข์กังวลนี่คืออานิสงส์ของการรักษาศีลขอให้พวกเราพยายามรักษาศีลกันให้ให้ดีถ้าเราทำทานและรักษาศีลได้ เราก็จะตายไปแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์เมื่อกลับมาเป็นมนุษย์ก็จะมีฐานะที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าเดิมมีผิวพรรณผ่องใสกว่าเดิมมีสถานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิมมีร่างกายมีสุขภาพที่ดีไม่มีไ ม, ไม่ไม่พิกลพิการไม่หูหนวกตาบอดไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ส่วนบุญข้อที่สก็คือการภาวนาการภาวนานี้ท่านแปลว่าการพัฒนาจิตใจจิตใจของเรานี้ยังต้องการพัฒนาอีกมากเพราะใจของเรายังไม่สงบใจของเรายังไม่ฉลาดยังมีความลุ่มหลงยังมีความโลภความโกรธอยู่เราต้องพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นจิตของพระอริยะเจ้าเป็นของพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี้มีแต่ความสงบ ใจของท่านไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงใจของท่านไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการภาวนาจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะถ้าเราไม่ภาวนาเราจะไม่สามารถตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราจึงต้องพยายามฝึกทาภาวนากันภาวนาก็มีสองอย่างสมาธิและปัญญา สมาธิก็คือการทำใจให้สงบด้วยการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆบังคับให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับบทสวดมนต์หรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธหรือให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วแต่ว่าอันไหนเราจะทำได้ถ้าเราไม่สามารถบังคับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ก็บังคับให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไป ถ้าบังคับให้อยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็บังคับให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปเรื่อยๆถ้าบังคับให้อยู่กับบทสวดมนต์ไม่ได้ก็ให้เปิดธรรมะฟังไปก่อนฟังเสียงธรรมไปก่อนก็ได้ให้ใจมีสติจดจ่ออยู่กับการฟังแล้วใจจะค่อยสงบลงไปพอสงบพอสมควรแล้วก็ลองบริกรรมพุโทโธดู ถ้าอยู่กับพุโทโธได้ก็บริกรรมไปเรื่อยๆแล้วไม่นานใจก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบพอใจมีความสงบแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมพอใจจะนิ่งใจจะมีความสุขจะมีความสบายวล่ยวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายบางทีร่างกายก็จะหายไปจากความรู้สึกหรือแต่อุเบกขาใจมีความเย็นความสงบ ใจเป็นหนึ่งนี่เรียกว่าสมาธิพอออกจากสมาธิท่านก็สอนให้เจริญปัญญาให้พิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเสื่อมของสิ่งต่างๆเช่นร่างกายของเราก็ดีของผู้อื่นก็ดีเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคาราวาสหรือเป็นนักบวชไม่มีใคร อยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายไปได้เราจึงไม่ต้องกลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะกลัวก็ไปทำอะไรมนะันไม่ได้ถ้าเราไม่กลัวเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรากลัวเราก็จะทุกข์วิธีที่จะทำให้เราไม่กลัวก็คือเราต้องสอนใจให้รับความจริงนี้ให้ได้สอนไปเรื่อยๆแล้วไม่นานมันก็จะรับได้จะยอมรับความจริงได้ ว่าเกิดมาแล้วทุกคนมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้พอสอนอยู่ไปเรื่อยๆแล้วจนจนจำได้มันก็จะยอมจะไม่ปฏิเสธเมื่อยอมแล้วก็จะไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนี่คือปัญญา ที่เราควรจะทำสลับกับ ก, บการทำสมาธิถ้าเราพิจารณาแล้วจิตเริ่มฟ úng ุ้งซ่านก็หยุดพิจารณาแล้วกลับมาทำทำสมาธิใหม่ทำจิตใจให้สงบใหม่พอจิตสงบแล้วออกจากความสงบเราก็มาคิดใหม่เราทำอย่างนี้ได้ตลอดเวลาแม้แต่ในชีวิตประจาวันของเราเราทำงานทำการเราก็จเจริญปัญญาได้ เราเห็นใครก็นึกถึงในใจว่าไ ม, ไ, มไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะไม่ลืมเมื่อเราไม่ลืมแล้วเราก็จะไม่วิตกเราจะไม่กลัวเราจะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเรารู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ต้องมีพระอาทิตย์ตกมีฝนตกมีแดดออกเป็นธรรมดา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมดนี่คือการเ จ, จเริญปัญญาที่เป็นส่วนที่สองของภาวนาถ้าเราภาวนาได้แล้วจิตใจของเราจะพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนหลุดพ้นไปได้ในที่สุดนี่คือบุญข้อที่สบุญข้อที่สี่ก็คือการอุทิศบุญเช่นว่าเราทำบุญเสร็จแล้วเราไม่บุญแล้ว เราก็อุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปได้เช่นเรามีผู้ที่ล่วงลับไปที่เราลักเราก็รพเราอยากจะให้เขาได้บุญส่วนหนึ่งที่เราได้ทำไว้เราก็อุทิศบุญนี้ไปเช่นเวลาที่พระให้พรเราก็กรวดน้ำตอนที่กรวดน้านี่แหละคือการอุทิศบุญเราก็ลึกถึงคนที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ถ้าเราอยากจะให้เขารับบุญสว่วนนี้ก็ อ, อุทิศไปถ้าเราไม่อุทิศเขาก็จะรับไม่ได้ถ้าเราไม่เอ่ยชื่อของเขาเขาก็จะไม่รับรับไม่ได้ก็ เ, เหมือนเราส่งของไปทางไปรษณีย์หรือเขียนเช็คถ้าเราเขียนเช็คเราไม่เขียนชื่อของเขาเขาก็จะเอาไปเขาก็จะรับไม่ได้เวลาอุทิศบุญเราก็ต้องเกิด เราก็ต้องเอ่ยชื่อของเขาเช่นเขาทิศให้คุณพ่อให้คุณแม่อย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการอุทิศบุญการอุทิศบุญจะทําทให้เราได้บุญเพิ่มขึ้นอีกเพราะทําให้ใจเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเราได้ช่วยเหลือผู้อ่นช่วยเหลือผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนี่คือบุญข้อที่สบุญข้อที่หก็คือการอนุโมทนาบุญ หมายถึงว่าเวลามีผู้อื่นเขาทำบุญเราก็อนุโมทนาแสดงความยินดีไปด้วยดีใจไปกับการทำบุญของเขาอย่าไปห้ามเขาไม่ให้ทำบุญอย่าไปว่าทำบุญแล้วขาดทุนทำบุญแล้วไม่ได้อะไรอย่าไปทำให้เสียเวลาอย่างนี้ไม่ควรทำถ้าเห็นใครทำบุญเราควรจะอนุโมทนาชื่นชมยินดีสนับสนุน หรือถ้าเรามีเงินที่เราอยากจะร่วมทําบุญกับเขาเราก็ร่วมทําบุญกับเขาไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าเป็นการอนิโมธนาบุญเพราะการทําบุญนี้มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทั้งกับผู้ทําเองและผู้รับผู้ทําก็จะมีความสุขใจมีบารมีผู้รับก็จะได้รับการผ่อนคลายจากความขาดแคลน อย่างเวลาญาติโยมมาทาบุญนี้ mm hmm. ก็มาช่วยผ่อนคลายความขาดแคลนในด้านปัจจัยสี่ให้แก่พระภิกษุสา ม, มเณรถ้าไม่มีญาติโยมทาบุญพระภิกษุสา ม, มเณรก็อยู่ไม่ได้เพราะพระภิกษุสา ม, มเณรอยู่ได้จากการทาบุญของญาติโยมนี้เองดังนั้นเวลามีผู้ใดทาบุญเราควรที่จะอนโมธนาแสดงความยินดี เราอาจเราอาจจะไม่อยากจะทําไม่ชอบทําแต่เขาชอบทําเราก็ไม่ควรที่จะไปขัดขวางเขาเช่นสามีหรือภรรยาเราจะทําบุญแต่เราไปห้ามเขาอย่างนี้ก็ไม่ควรควรจะสนับสนุนควรจะส่งเสริมเราไม่เราไม่อยากจะทําก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่เราไม่ควรไปห้ามคนอื่นไม่ให้เขาทําบุญเพราะจะเป็นการ เป็นการขัดขวางการสร้างบุญสร้างกุศลของผู้อื่นเป็นการกระทําที่ไม่น่ากระทําอย่างยิ่งนี่คือเรื่องของอนุโมธนาบุญบุญข้อต่อมาก็คือการรับใช้ผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่นเวลาที่เราเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากลําบากเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาไป เราก็จะได้บุญเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อข้าวซื้อของมาทำบุญเราไม่ต้องให้เงินให้ทองเขาก็ได้แต่เห็นเขาเดือดร้อนเช่นเขาเดินเดินมาถือของหนักมาเราช่วยแบ่งเบาภาระช่วยถือของหนักให้กับเขาอย่างนี้ก็เป็นบุญหรือเห็นเขาทำงานเราก็ช่วยทำงานก็ได้เห็นเขากวาดบ้านกวาดอะไรทาอะไรต่าง เรามีเวลาว่าเราก็ช่วยกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเช่นการรับใช้สังคมเราเห็นว่าสังคมเช่นถนนหนทางสกปรกมีขยะเยอะเราเดินไปเราก็เก็บขยะใส่ถุงไปทิ้งในถังขยะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นการทำบุญเราทำแล้วเราจะมีความสุขใจบุญนี้แปลว่าความสุขใจ เราทำบุญไม่ได้หวังผลตอบแทนจากใครทั้งนั้นเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเราจะมีความสุขมากถ้าเราทำเพื่อหวังผลตอบแทนเวลาเราไม่ได้รับผลตอบแทนเราก็จะมีความเสียใจเช่นเราทำแล้วไม่มีใครชมเราไม่มีใครย่งย่องสรรเสริญเราเราก็จะรู้สึกเสียใจ ถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเขาชมว่าเราเป็นคนดีอย่างนี้เป็นต้นเราต้องทำโดยไม่หวังผลตอบแทนอันใดจากใครทั้งสิ้นแล้วเราจะมีความสุขใจเพราะความสุขใจนี้ก็คือบุญนั่นเองบุญอีกข้อหนึ่งก็คือการทำตนให้เป็นมีความอ่อนน้อมถม่อมตนคือทำตนให้เป็นคนที่ไม่ถือตัว ไม่อวดเก่งอวดดีไม่อวดเบ่งคนที่อวดเก่งอวดดีคนที่มีความหยิ่งหยิ่งพยองนี้เป็นคนที่ไม่น่ารักไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยแต่คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตอนนี้เป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมอยู่กับใครก็ไม่มีใครรังเกียจมีแต่คนรักมีแต่คนชอบแต่คนที่ชอบแบ่งนี้ ชอบอวดเก่งอวดดีนี้อยู่กับใครก็ไม่มีใครชอบเพราะคนเก่งจริงแล้วไม่ต้องอวดคนดีจริงแล้วไม่ต้องไม่ต้องอวดไม่ต้องเบ่งคนที่อวดเก่งอวดดีนี้มักจะไม่เก่งจริงมักจะไม่ดีจริงแต่ชอบเพราะความหลงในตนเองมีทิฐิมีมานะ อยู่ยนี้อยู่กับใครก็จะไม่มีใครชอบคบค้าสมาคมด้วยแต่ถ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จะเป็นที่ยินดีที่จะที่จะคบค้าสมาคมด้วยคนเราอยู่ตามลําพังไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันเพราะเราต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่กับใคร เราก็จะมีเพื่อนมาเราจะไม่ขาดเพื่อนจึงขอให้เราพยายามสร้างบุญข้อนี้ด้วยคือให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มีสัมมาคารวะให้รู้จักที่สูงที่ต่ำผู้ที่สูงกว่าเราเราก็ควรที่จะให้ความเคารพผู้ที่สูงกว่าเราก็มีหลายลักษณะสูงด้วยอายุสูงด้วยคุณธรรมสูงด้วยความรู้ เช่นครูก็เป็นผู้ที่สูงด้วยความรู้พระก็สูงด้วยคุณธรรมพ่อแม่ก็สูงด้วยอายุและพระคุณที่ดูแลเราเลี้ยงดูเรามาเราจึงควรมีความเคารพต่อผู้สูงกว่าเราและเราจะเป็นผู้ที่น่ารักน่าชื่นชมยินดเนนีเป็นผู้ที่น่าคบค้าสมาคมน่าให้ความช่วยเหลือ นี่ก็คือบุญอีกอย่างหนึ่งบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเช่นตอนนี้เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังแล้วเราก็จะได้ความรู้เราก็จะได้ความสงบได้ความสุขใจพอเราฟังไปแล้วใจของเราก็จะสงบเย็นสบายเพราะธรรมะนี้เป็นเหมือนน้ำมนต์ที่จะมากล่อมจิตใจให้สงบ ให้ปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็จะเหมือนไม่มีน้ําคอยดับไฟของความโลภความโกรธความหลงถ้าใจมีความโลภความโกรธความหลงมากเพียงไรใจก็จะมีความรูมร้อนมากขึ้นไปเพียงนั้นถ้าใจมีน้ําแห่งธรรมมาคอยดับความโลภความโกรธความหลงอยู่เรื่อยๆใจก็จะมีความ เย็นมีความสงบการฟังธรรมจึงมีคุณประโยชน์มากเพราะจะทำให้ใจมีความสงบเย็นสบายและจะทำให้ใจมีความรู้มีความเห็นที่ถูกต้องเราจึงควรหันฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆฟังกันทุกวันก็ได้เพราะมีคุณมีประโยชน์อย่างยิ่งส่วนประการ ธรรมบุญเลออีกข้อหนึ่งก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองการเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือพระนิพพานก็มีจริงการที่จะมีเห็นความมีความเห็นที่ถูกต้องได้นีจะต้องอาศัย การได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะไม่มีใครจะรู้เหมือนพระพุทธเจ้ารู้ถ้าเราไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ความจริงเหล่านี้เราก็จะคิดไปว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีตายแล้วสูญอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราไม่เห็นใจผู้ที่จะไปเกิดใหม่นั่นเอง เพราะใจไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาปล่าใจนี้ต้องเห็นได้ด้วยปัญญาด้วยการภาวนาด้วยสมาธิเท่านั้นถ้าไม่ทำสมาธิไม่เจริญปัญญาจะไม่เห็นใจจะไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราจะไม่รู้ว่าใจนี้แหละคือตัวเราที่แท้จริงจะไม่รู้ว่าใจนี้แหละจะเป็นผู้ที่ไปเกิดใหม่ ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะไม่รู้อย่างน้อยถ้าเรายังภาวนาไม่เป็นก็ขอให้เราฟังธรรมไปก่อนฟังเทศไปก่อนแล้วขอให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้พูดความจริงพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้น การสอนธรรมะนี้ไม่ได้สอนเพราะต้องการรางวัลไม่ต้องการผลตอบแทนต้องการช่วยเหลือเราอย่างเดียวเพราะทรงเห็นว่าพวกเรายัางตาบอดยังไม่เห็นใจยังไม่รู้ว่าใจนี่และคือผู้ที่จะไปตกนรกผู้ที่จะไปขึ้นสวรรค์ผู้ที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวองค์แรกที่ รู้เรื่องราวเหล่านี้แต่พอพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็รู้ตามได้แล้วก็สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือความสําคัญของการฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญอย่างมากเพราะจะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเอง ส่วนบุญข้อสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นสอนธรรมะแก่ผู้อื่นเมื่อเรามีธรรมะแล้วเราปฏิบัติและหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้แล้วเราก็ไปสอนผู้อื่นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเราก็จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นจํานวนมากช่วยให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นจนํานวนมากก็จะทําให้เรามีบุญมากมีความสุขมากนี่คือบุญ10ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทํากันให้มากๆตามแต่ฐานะตามแต่ความสามารถของเราเราทําข้อไหนได้ก็ทําไปก่อนข้อไหนที่เรายังทําไม่ได้ก็พยายามทําต่อไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จะทําได้หมดทุกข้อ เราจะได้พบกับความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนึกจะตายไม่ว่าจะแก่หรือจะเจ็บไข้ใดป่วยหรือไม่ใจของเราจะมีแต่ความสุขร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยเพียงไรจะไม่ทำให้ใจที่มีบุญนี้มีความทุกข์เลยใจจะมีความสุขตลอดเวลาจึงขอให้เราพยายามสร้างุณทั้งสิประการนี้คือ 1บุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลมบุญที่เกิดจากการภาวนา 4. บุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 5. บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญ 6. บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่น 7. บุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 8. บุญที่เกิดจากการฟังเทศ์ฟังธรรม 9. บุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องและสิบบุญที่เกิดจากการสั่งสอนธรรมะแก่ผู้อื่นขอให้เราทาขอให้เราเชื่อในบุญเหล่านี้และทำตามเพราะจะเกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้